บทภาชณีติกานิสักียปาจิตตีเจ็ร้อยหของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งพิจสณีสําคัญว่าเป็นของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบันิสักียปาจิตตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิจสณีไม่แน่ใจให้แลกเปลี่ยนของอย่างอื่นต้องอบานิสักียปาจิตตีของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่ง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 ไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกชนีไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งภิกชนีสำคัญว่าไม่ใช่ของที่เขาถวายเพื่อประโยชน์แก่ปัจจัยอย่างหนึ่งไม่ต้องอาบัต